โยมมาเรียนเยอะนทุกทีมกสู้ไม่ค่อยไหวเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่มีคนช่วยสอนสูส้ประยมโสมเจบ็บคอทานซีนอเสบอยู่เรื่อยๆเลยสาระละรุงชินไม่ดึกไม่เท่าไหร่มันสั้นอย่างที่มีปัญหาที่นี่แหละ หลวงพ่าสอนถึงสิบโมงนะมันหมดแรงแล้วเจ็บพอเต็มทีละพวกเราจะเข้ามาคุยอีกทีละคนเนี่ยตรงเนี้ยที่สาหัสเลยจะฝืนฝืนฝืนนะเห็นตาแป๋วแปวสงสารนะสงสารคะ <c oughs> <c oughs> าขขึ้นทุกวันหลวงพ่อพูดนะไปไม่ไหวเพราะเรื่องนี้แหละเสร็จแล้วท่านเลยเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องพูดทั้งวัน งั้นเวลาเรียนนะพยายามเรียนในเวลาที่หลวงพ่อสอนก็แล้วกันนะอย่ายืออย้อเยอะมายือ้อเราก็สงสารนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีแรงสอนได้ไม่นานหรอกครับหลวงพ่อบอกให้ผมเดินด้เยอะเวลาเดินตงกัาววันนี่ก็มีสติมีมจิตลดลดหม่ลงนิดนึงเวลาเดินตงกั่ววันนี่ก็จิตดูจิตได้ดีด แต่ว่าช่วงตอนกลางคืนนี่เมื่อคืนนี่เดินเดินไปและวไอ้เหตุการณ์เก่าๆที่เราทำไม่ดีววาในอดีตเนี่ยมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆอบางครั้งอาจจะมีบางคนเสียชีวิตไปเนี่ยเหมือนกับจะมาหลอกเราแต่ตอนนั้นเราก็คือพอมีสติปุ๊บไอ้ความกลัวและไอ้ความที่ผลลุกเพราะความกลัวเนี่ยมันหายไปเลยครับแล<ด>้วก<ด>็เลย สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเดินกลางวานันและกลางคืนไม่เหมือนกันบรรยากาศมันให้อผีไม่ได้มีกลางคืนนะกลางวันก็มีแต่ว่ามันสว่างสว่างเราเลยไม่กลัวกลางคืนบรรยากาศมันชวนให้สงสัยมามองอะไรก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยพวกแขกเลยเรียกพระอาทิตย์ว่าสุริยะทําให้กล้าหาญมัมีแสงสว่างแล้วเลยกล้ากลางวันก็ผีก็เท่าเคือกลางคืนนั่นแหละ แต่หน้าที่เราก็คืออดีตไม่เอาสัญญามันฝุดขึ้นมาให้รู้ไปนี่เราภาวนาได้บุญได้กุศลเราก็อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะขออโหสีกรรมกันไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปเวลาที่เราฝึกแล้วเราจะรู้ว่าความตั้งมั่นเนี่ยหรือสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงใจถ้าใจเราไม่หลงไม่เผลอ แล้วก็ใจไม่ไปเพ่งไว้ใจก็จะเป็นกลางมีสัมมาสมาธิงั้นหลวงพ่อถึงเน้นให้เรียนรู้สิ่งที่ผิดถ้ารู้สิ่งที่ผิดแล้วมันไม่ผิดเมื่อไหร่นะมันก็ถูกต้องใจก็ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอย่าไปจงใจทำขึ้นมาถ้าโลภะเกิดสติจะไม่เกิดเช่นอยากให้มีสมาธิอยากให้ใจเป็นกลางตั้งมั่น ความอยากเกิดขึ้นกิเลสมันเกิดสติไม่มีถ้าสติไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิแทนสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดร่วมได้กับสัมมาสติแต่ถ้าขาดสติสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิ สติเนี่ยเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นแต่สมาธิเนี่ยเกิดแก่จิตอกุศลก็ได้เะฉะนเรื่องสมาธิเนี่ยต้องระวังนิดนึงพวกเราส่วนใหญ่ชอบสมาธิชอบนั่งเอะก็จะนั่งสมาธินั่งไปแล้วจิตเป็นอกุศลไม่เห็นหนั่งแล้วเคลิมเคลิ้มเคลิม เ, มเมขาดสติบางคนนึกว่าจิตรวมคือจิตเคลิ้มขาดสติไม่ใช่นักคนละเรื่องเลยจิตรวมลงไปในอัปปนาเนี่ยจิตมีสติ มีสติตลอดสายเลยกระทั่งเข้าอารูปฌานก็มีสติอยู่ร่างกายหายไปโลกธาตุนี้หายไปเหลือแต่ธาตุรู้กับสติประคองกันอยู่อย่างนั้นนี่หลายคนทําสมาธิเกือบทั้งหมดมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งเอาเพลิมนั่งเอานกเง้งเง้งเงี้หรือนั่งเอาความเพลิดเพลินเพลิดเพลินไปก็พอใจขใึ้มาราคะก็เกิดนนเรื่องสมาธิระวังต้องมีสติ คูบาอาจารย์ถึงสอนบอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็มีวิมุติ้าสติอันเดียวไม่มีหรอกศีลสมาธิปัญญาวิมุติเกิดไม่ได้มีสติเรารู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็ไม่หลงมีสติเรารู้ทันจิตที่เพ่งแล้วก็อย่าไปเพ่งเหมือน ส่วนใหญ่รู้ว่าหลงจะหายหลงทันทีแต่รู้ว่าเพ่งก็ไม่หายเพ่งเพราะการเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากดีพยายามควบคุมตัวเองไม่แช่กุศลไม่แช่กุศลแท้ๆนั้นสติเกิดขึ้นมาก็ไม่หายเพ่งให้เรารู้ทันตรงที่อยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติแล้วมันจะเพ่งเรารู้ทันปุ๊บมันจะไม่เพ่งพาใจมันไม่เพ่งนะมันไม่เผลอไปมันไม่เพ่งไว้ใจมันก็เป็นกลาง ถ้าไปเวลาเราเ ล, ลงไปเผลอไปพอเรารู้ว่าเผลอเช่นเผลอไปคิดแวบบเผลอไปแล้วใจเราไม่เปเพิ่งต่อในขณะนั้นเองความรู้สึกตัวที่แท้จริงที่จะตื่นขึ้นมาคุณนึกออกไหมเวลาเราหลงไปพอรู้ปุ๊บมันจะตื่นตื่นได้ที่เแว บ, บเดียวเพรจิตจะตื่นขึ้นมาด้วยอํานาจของคณิกะสมาธิไม่อยู่นานทีละขณะคณิกะสมาธินี่สําคัญมาก ใครๆก็มองข้ามอยากได้แต่อัปนาคณิกาสมาธิในการที่เรามีสมาธิรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี่เราใช้คณิกะคือรู้ทีละขณะไม่ได้ตั้งแช่อยู่นานๆตั้งแช่อยู่นานๆเป็นที่พักผ่อนพัก่อนนิดๆหน่อยๆก็เข้าอุตจาระจิตยังทำงานอยู่เคลื่อนไหวยังทำงานได้นิดๆหน่อยๆกะเสนกระสายได้ อ, อกรู้ออกเห็นได้ รวมเข้าไปถึงอัหนาเนี่ยก็แน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวยังมีกายอยู่หรือยังเป็นรูปอยู่กายหายไปล้วก็เป็นอรูปเลยค่อยฝึกออกนะฝึกมีสติรู้สึกไปให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองห้ามทําที่ถูกอยากทําตรงที่ถูกก็ผิดละกิเลสเกิดอเห็นจิตไปปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอกุศลเยอะอะค่ะือ วันนี้ภาวนาใช้ได้แล้วนะอยู่วัดมาหลายวัน ว, วันนี้ใช้ได้แล้วนั่นแหละใจที่มันรู้สึกตัวาจที่มันตื่นเป็นอย่างนี้แหละรู้สึกไหมไม่มีอะไรสบายโล่งโปร่งเบาแต่ว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกตัวเองอแต่ใจของเราเนะี่ยตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่มึกออกไหมนี่นแหละคือใจที่มีสัมมาสมาธิ แล้วก็มีสติระลึกรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏเช่นกิเลสปรากฏขึ้นสติระลึกรู้ระหว่างระลึกรู้ใจมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เที่ยงหรือกิเลสจะมากิเลสจะไปก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญา้เรามีสติมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่น สมาสมาธิเนี่ยเข้าใจยากคนมองข้ามตลอดเลยหลายคนนะในยุคนี้เน้นเรื่องว่าให้ถือศีลมว้แล้วก็ให้กาหนดรูปนามไปเลยกล่าวว่าสมาธิเกิดเองสมาธิต้องเรียนบทเรียนของจิตที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือบทเรียนที่เรียกว่าจิตศิกขา น, นั่นเองทาไงจิตเราจะรู้ใจเราจะตื่นใจเราเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดู มีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตทำไมเป็นกุศลไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะรู้ทุกสิ่งอย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงจิตชนิดนี้ไม่แค่อยู่อยู่ลอยฟ้ามาไดนะ้พวกเรารุ่นหลังหลักละเลยเรื่องสัมมาส ม, มาธิไปถ้ามันไม่จำเป็นนะพระพุทธเจ้าไม่สอนหลอกจิตสิก ข, ขาก่อนจะถึงปัญญาสิกขาต้องเรียนจิตสิก ข, ขาก่อน เพื่อเราจะได้มีจิตซึ่งเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็ไปรู้รูปรู้นามเอาจิตที่มีสัมมาสมาธิไปรู้รูป ร, รู้นามนั่นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาสิกขารู้ไปแล้วจะได้อะไรรู้แล้วจะได้ปัญญาคือเห็นความจริงของรูปของนามว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วเป็นยังไงอีกรู้แล้วก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ได้โสตบัน รู้ลงไปอีกเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนลากความยึดถือกายได้ได้พระอนาคารู้ลงไปอีกลากความยึดถือจิตได้เป็นพระอราหันต์พระอราหันต์นะจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอราหันต์นะคนอื่นหลอกเรียกตัวเองไม่เรียกนั้นหรอกมันไม่มีตัวมีตนอะไรที่จะเป็นอะไรก็จะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นไม่ใช่อยู่กับความมีความเป็นฉะน ต้องพักเพียงนะค่อยๆฟังทำธรรมะเป็นของประณีตธรรมะไม่ใช่ของลึกลับแต่เป็นของประณีตต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนใจเย็นๆยิ่งรีบร้อนอยากเรียนรู้เร็วๆยิ่งล้มเหลวต้องยินเนีนเนียนนะใจเย็นๆค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจหาจรู้ทันจิตใจที่เขาทํางานไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดจิตสิกขาได้ เราจะรู้ว่าอ้อนี่จิตชนิดนี้ได้ว่าจิตหลงไปหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดหลงไปนึกหลงไปปรุงหลงไปแต่งหลงไปเพ่งเมือเรารู้ทันนะจิตใจก็จะตื่นขึ้นมาไม่หลงจิตก็จะเป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงจิตที่เป็นจิตผู้รู้เนี่ยคือจิตซึ่งมีสัมมาสมาธิ วิธีทําจิตให้เกิดสัมมาสมาธิมีสองวิธีวิธีหนึ่งคือวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยให้หัดรู้จิตไปเรื่อยๆเป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกของคนเล่นฌานไม่ได้ของคนเล่นฌานจะทําฌานขึ้นมาจนถึงฌานที่สองพอได้ฌานที่สองเนี่ยตัวผู้รู้ตัวธาตุรู้จะเด่นขึ้นมาเรียกว่าเกิดเอโกทิภาวะในพระสูตรพูดถึงเอโกทิภาวะนะแต่ในอภิธรรมไม่พูดถึงน่าอัศจรรย์นะ เพ so ระพระสูตรเนี่ยสอนเอาไว้ปฏิบัติจริงๆพระอภิธรรมสอนเอาไว้ตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติจริงๆว่าถูกไม่ถูกะงั้นเวลาเรียนพระพุทธเจ้าเทศให้คนฝังเทศพระสูตรนี่ไเทศพระสูตรเอโกทิภาวะนี่จะพูดอยู่ในพระสูตรในอภิธรรมไม่พูดในอภิธรรมเป็นพูดว่าเอโกทิภาวะก็คือสัมมาสมาธิก็ถูกเหมือนกันแต่ในพระสูตรใช้เอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่ง จิตมันจะเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตมันเป็นหนึ่งขึ้นมาเพราะเพราะมันมีสัมมาสมาธิมันก็ถูกครั้งพระอภิธรรมถูกครั้งพระสูนรแล้วแหลในคนละสำนวนทำไมต้องฌานที่สองฌานที่หนึ่งไม่เกิดธาตุรู้ตัวผู้รู้ไม่เด่นเพราะในฌานที่หนึ่งในพระสูตร am, เรียกฌานที่หนึ่งในอภิธรรมเรียกหนึ่งและสองอภิธรรมเนี่ยแยกฌานที่หนึ่งออกเป็นหนึ่งกับสองเหมือนฌานที่สองของพระสูตรคือเป็นฌานที่สาของพระอภิธรรม นันรูก ป, ประชานของพระสูตรเมีสี่ของอริธรรมมีหนะ้าเรียนไม่เหมือนกันนะเขาแยกออกไปให้ละเอียดนะในปฐมฌานของพระสูตรเยยังมีวิตกมีวิจารณ์คือจิตยังคิดอยู่ยังตรึกยังกรองอยูนะ่เช่นยังบริกรรมได้ยังคิดได้ยังตรึกตรองได้จิตที่ยังคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ยังเป็นผู้คิดอยู่ เพระถึงชาตที่สองเนี่ยเพิกความคิดออกไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติขึ้นมาจิตมีสติรู้ปีตินั้นด้วยความเป็นกลางมีเอกาคตานะมีปีติแล้วก็มีเอกคตานี่ถ้าเรียนอย่างตำรานะจะงงนะเนียนอย่อริธรรมก็จะเริ่มงงมันมีปีติยังไงว่ามีเอกคตาด้วยนีย่ก็จะไปคิดว่าเอกคตาก็คือจิตไปจดจ่อรู้อารมณ์มันเดียวเนี่ยก็เลยเอาจิตไปจ่อ อยู่ที่ปิติมบิดจ อ, อยู่ที่ลมหายใจกลายเป็นจิตเพ่งไปนี่เวลาเรียนนะเราไม่ได้รู้จักสภาวะจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันนี่พอจิตจิตมันยังตรึกยังตรองอยู่นะพอเรารู้ทันลงไปด้วยความตรึกความตรองหายไปมีปิติขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าปิติเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเด่นขึ้นมานี่เรื่อมีเอโกที่ภาวะมีสัมมาส ม, มาธิม้นเด่น เนี่ยถ้าเดินชานลึกๆขึ้นไปนะเอโกท่ภาวะนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนแต่ถ้าได้แค่ชานที่สองแล้วถอยจิตออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเอโกท่ภาวะนี้จะส่งตัวอยู่อีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตที่เดินชานมาเนี่ยจะมีตัวรู้ตั้งมั่นอยูทั้งวันทั้งคืนอยู่นั้นนะถึงเวลาก็ทำสมาธิเข้าไปถอยออกมานะตัวรู้ก็ยังตั้งมั่น ฉะนั้นจะมีตัวรู้เนี่ยเป็นคนรู้กายรู้ใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวรู้นี้จะคงที่อยู่เนี่ยจะรู้สึกตัวรู้เที่ยงเป็นด้วยนิ่งๆอยู่อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันพร้อมเห็นทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยกระทั่งตัวรู้ก็ชั่วคราวตัวรู้เกิดแล้วก็เป็นตัวหลงตัวหลงเกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็มีตัวรู้เนี่ยี่สลับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็แจ้ง ไม่มีตัวตนที่แท้จริงได้โสดาบันนะเดินแล้วม า, มาันจบที่เดียวกันนี้แหละจะเดินมาทางสมถญ า, านิกหรือวิปัสสนาญาณิกนะสุดท้ายมันก็มาลงที่เดียวกันมรรคผลก็อันเดียวกันนะแต่ถ้าคนที่เดินมาทางวิปัสสนาญาณิกเนี่ยเวลาเกิดมรรคผลมันจะได้ปฐมฌานเะกิดพวกที่เดินทางสมถญ า, านิก พวกนี้ได้ตั้งแต่ชานที่หนึ่งถึงชานที่แปดเงินของเล่นเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าเขาไม่ห่วงของเล่นนะเขาห่วงของจริงะบางคนเว้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่มีของเล่นต้องไปฝึกสมาธิก่อนในเสียไปชาติหนึ่งชาติหน้าไม่มีธรรมะให้ฟังละตายเลยเขาทําแต่สมาธิต่อไปอีกไปเจอพระศรีอาร์ก็เว้ยต้องเอาสมาธิก่อนนะ ก็ไม่ได้อีกนะผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกองคหนึ่งแต่ไม่เป็นไรกลับต่อไปมีสิบองคนะ์คงไม่ลงเอเวจีว <c oughs> <10 S 2> <c oughs> สิบองค์ผ่านไปแล้วยังไม่ขึ้นมาอ้าวเบรอสี่สิบห้านี่ทำอยู่ใช้ได้ไหมครับนี่ทำพิถีพิถันอยู่ใช้ได้ไหมครับกดจิตไปนิดหนึ่งจิตมีโมหะนะครับกดมนันไปนิดหนึ่งปล่อยมันใช้ได้นี่คือหลงไปแล้ว คุณเบสิบหกนะคุณต้องลดความจริงจังลงนิสัยคุณมันเป็นคนจริงจังจริงจังทางโลกเนี่ยดีจริงจังทางธรรมไม่ดีทางธรรมเราจริงใจเราไม่จริงจังนะจริงใจ ใ, ใจเราเป็นยังไงรู้มันไปรู้ตามที่มันเป็นก็มาพบหลวงพ่อได้สองเดือนนะครับชออตัวเองก็รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจาก ปฏิบัติมาประมาณยี่สิบปีโรงเรียนพาไปดูดวงแก้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับก็ติดดวงแก้วมาแล้วก็มาพองยุคจนมาพบหลวงพ่อก็รู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงไปครับฝึกนานแล้วมันเห็นด้วยตัวเองเนี่ยครับยิ่งเราเคยฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอกครับเวลาเรามารู้จิตรู้ใจมันรู้ได้ละเอียดรู้ได้ประณีตรู้ได้นานครับดีแต่ก็ยังติดเพ่งอยู่เยอะใช่ไหมครับใช่ ยังติดอยู่ยังติดเพ่งแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนละครับนะ ค, บคือเราน่าสงสารนะพวกเราชาวพุทธเราอยาก ห, กหลักอยากได้มรรคผลนิพพานกันทั้งนั้นแะ้วแต่เราก็ไปเรียนในสิ่งซึ่งไม่ใช่ทางของมรรคผลนิพพานอันหนึ่งก็เพ่งออกนอกไปเลยสนุกนะเพ่งออกนอกดูโน่นดูนี่ได้อยากรู้อะไรก็ได้อีกอันหนึ่งก็ว่าเพ่งอยู่ในร่างกายเพ่งรูปฝึกลงไปสุดขีดนะ พวกแรกที่เพ่งออกนอกเนะี่ยพวกนี้จะได้รูปประชานแต่ได้รูปประชานแบบยังมีความรู้สึกตัวแต่พวกอย่างหลังเพ่งรูปอย่างเดียวทิ้งนามไปพวกนี้จะเป็นอสัญญาัตตาเป็นพรมลูกฟักเป็นรูปประพรมเหมือนกันเป็นรูปประพรมชนิดที่มีแต่รูปในหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสศึกษา รีเปลี่ยนซะตั้งแต่ชา้นนี้นะหัดเจริญสติซะวันเวลาที่จะมีศาสนาพุทธที่สอนเรื่องการเจริญสติมีไม่มากหรอกแต่วันเวลาที่จะสอนเรื่องของสมาธิมีมากสมัยพุทธกาลเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาเล็กๆศาสนาหนึ่งมีศาสนาที่ใหญ่ที่ศาสนาพุทธต้องขึ้นมาสู้ด้วยต้องหกสำนักใหญ่ หกลัทธิใหญ่หกเจ้าสำนักใหญ่ยังมีเจ้าสำนักเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนศาสนาพุทธชนะขึ้นมาเขาสมเหตุสมผลศาสนาพุทธชนะศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธเมืองไทยรู้สึกไหมเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธชนะใครมาแกล้ป้ายศาสนาอื่นสู้ไม่ค่อยได้ศาสนาซึ่งเขาสู้พุทธไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธ บางศาสนาฝึกไปแล้วจะไปรู้สึกว่านิพานเนี้ยเป็นโลกโลกหนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธอย่างที่เราเป็นมันคือรัตที่สุขาวาดีเนี่ยแฝงเข้ามาแล้วก็จะมีรัตที่ต่างๆมากมายเนีราคนเรียนตำหรับตำลามากนิพานแล้วศูนย์นิพานแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกอุเฉ ท, ทิตจิ อีกพวกหนึ่งมองว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเรียนเยอะนะไม่ใช่มีไม่ใช่น้อยหลวงพ่อยังเคยพลาดเลยอ่านหนังสือท่านพุทธทาสมากๆอะไรๆก็ว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าจนไปเจออาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพนะท่านเคาะกระโหลกให้ท่านสอนให้โต้องกราบเท้าท่านเลยนะบอกไม่ใช่ทุกอย่างสู์ไปไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่มีไม่ใช่ท่านพุทธทาสอนผิดนะท่านสอนถูก แต่แว่คนศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วพร้อมจะเพี้ยนไม่มีอะไรเลยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยเดือตายแล้วศูนเป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็สอนกรรมฐานนะสอนให้รู้รูปรู้นามรู้ไปรู้มากลายเป็นเพ่งเพ่งรูปจนนามดับให้เป็นพรมลูกฝักนะเนรัติ ศา ส, สนาต่างๆนะั่นที่เคยอยู่ในอินเดียไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันมาอยู่ในหมวกของพุทธนี่เองและที่นับถือเทวดาอย่างฮินดูก็อยู่ในหมวกของพุทธใช่ไหมจตุกคามรามาเทพก็ต้องเป็นเทวะโพธิสัตว์ขึ้นมาละเอาเทวดาสร้างเทวดาขึ้นมามนุษย์นะสร้างเทวดาขึ้นมาแตก็ต้องอิงพุทธไว้หน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ขายดีเป็นพระโพธิสัตว์มีคำพีเล่มไหนบอกว่าเป็นพโพธิสัตว์ไหมไม่มี ในคำพีพูดถึงโพธิสัตว์ก็มีเพื่อพระชิตะพระอิชิตะเป็นโพธิสัตว์จะมาเป็นท่าศรีอานเรา่นี้นเราต้องค่อยๆเปลียนนะค่อยๆรู้ลงไปในกายรู้ลงในใจรู้เล่นๆไปของคุณมันยังติดการประคองของเก่าไว้นิดหนึ่งให้รู้ไปไม่ต้องแก้รู้ลูกเดียวแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวตัวที่ไปรู้ก็เกิดแล้วก็ดับ เป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างเป็นผู้คิดบ้างเป็นผู้เพ่งบ้างเนี่ยทุกอย่างดูทุกอย่างลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยมันลําบากมากนะผมก็สงสารมากเลยชาวพุทธเราที่ดิ้นรนชาวพุทธที่จะอยู่กับโลกโลกแบบหาอยู่หากินหาหวยหาเบอร์อะไรนั่นก็ยกไปเถอะเขาเป็นพุทธด้วยศรัทธาได้แต่ชื่อแต่กระทั่งผู้ที่สนใจการปฏิบัติเนี่ย ยิ่งเข้าไปหาครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงพาไปแล้วไปบาดเจ็บล้มตายซะเยอะนะเพี้ยนอะเพีย้ยนไปเยอะเลยทั้งทั้งที่ทามาที่พระพุทธเจ้าสอนนะหัดเจริญสติถ้าทำถูกต้องจะมีแต่ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติเห็นทุกข์นะเห็นขันห้าเป็นทุกข์แต่จิตใจซึ่งไปรู้ทุกข์นั่ น, นะมีแต่ความสงบสันติมากขึ้นมากขึ้ น, นห่างไกลความทุกข์ออกไปเรื่อย แล้วเห็นผลด้วยตัวเองในเวลานสั้นไม่ใช่ว่าต้องทนทนยี่สบสาิปีแล้วว่า น, นึงจะเห็นผลไม่ใช่ทันทีที่สติตัวจริงเกิดก็เห็นผลทันทีเลยเห็นผลของสติทันทีที่สัมมาสมาธิเกิดก็เห็นผลของสัมมาสมาธิมีความสุขเป็นลำดับลําดับไปปัญญาเกิดก็มีความสุขแบบมีปัญญาวิมุตติเกิดก็มีความสุขอย่างวิมุตติมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าห่างทุกข์ออกไปเรื่อย จิตมันพ้นทุกนะจิตมันไม่ได้ดับทุกทุกเนะี่ยมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่มีใครดับทุกได้งั้นคําที่ถูกต้องนะคือคําว่าพ้นทุกจิตมันพลากออกจากกองขันมันก็พลาดออกจากกองทุก น, นี่ต่อไปตัวจิตเป็นตัวทุกนั่นแหละก็ไม่ยึดถือจิตอีกมันพลากออกไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ยพ้นทุกอย่างแท้จริงเลยถึงวันหนึ่ง ความสืบเนื่องของขันหมดไปขันดับขันดับแล้วไม่มีขันใหม่เกิดมาสืบเนื่องอีกเพราะจิตไม่ปรุงแต่งไม่ทํางานต่อเรียกว่าอนุปาทิเศสนิพธนนิพนเพราะขันดับงั้นพระอรหันต์ที่ยังครองขันอยู่นะก็ยังมีขันอยู่แค่พ้นจากขันไม่ใช่ดับขันขันก็เกิดของมันดับของมันตามเหตุของมัน แต่คนชอไปแปลว่าดับขันดับขันเนี่ยใช้กับอนุปาทิเสสนิพานนิพานตอนสุดท้ายเท่านั้นส่วนตอนนี้เราเรียกว่าเราพ้นจากขันพรากออกจากขันเรเียกสัอุปาทิเสสนิพานอ่ะคุณมนหนูพ้อสอนสอนทิ้งไว้ให้นะวันนี้ยังไม่ได้ใช้แต่วันหน้าจะได้ใช้ ถ้าฟังด้วยใจที่เปิดรับนี่นะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยข้ามพบข้ามชาตินะมันจะข้ามพบข้ามชาติไปส่วนชาตินี้เราไม่จบเคยมีพระองค์นึงอยู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พอศสามร้อยครูบาอาจารย์สอนมานะฝัง อ, อกฝังใจจํามาได้จนวันนี้นะพระตอนนั้นยงท่านยังหนุ่มๆอยู่กับอาจารย์ในป่าอยู่อินเดียนี่แหละ อยู่กันสององ์อาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ท่านเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งผิวหนังตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าโรคอะไรไปหาหมอชีวกก็คงไม่ได้นะตายไปนานแล้ว <c oughs> อยู่ในป่าหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะไม่หายมะเร็งมันก็กินลึกๆ ล, ล, ล, ล, ลงไปถึงกระดูกเลยถ้าเป็นคนธรรมดาตายก่อนนั้นลนะนี้ท่านทรงอภิญญาทรงอะไรท่านก็ยังอยู่ของท่านได้ ลูกศิษย์นะรักษาอาจารย์ไม่ได้รู้ว่าอาจารย์จะตายแล้วร้องไห้อาจารย์ก็ปลอบนะแทนที่ว่าคนดีจะปลอบคนป่วยนี่คนป่วยปลอบคนดีบอกจะเศร้าโศกเสียใจทําไมกายของเรากระสับกระส่ายแต่จิตเราไม่กระสับกระส่ายเลยเนี่ยหัวประโยคนี้นะฝังฝังลึกลงในใจกายกระสับกระส่ายธาตุขันนี้กระสับกระส่ายแต่จิตที่มันพ้นจากธาตุจากขันนี้ไม่ไม่กระสับกระส่าย รู้นะว่าปลายทางจะมาตรงนี้ฝังใจไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไม่เคยคิดเลยว่าภาวนาเนี่ยทายัางไงนั่งแล้วจะข้ามเมทนาได้ทํางไงนั่งแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความคิดอย่างนี้เจือพ้นอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยถ้าขันก็เป็นขันขันก็เป็นทุกข์ขันกระสับกระสายจิตที่พ้นจากขันต่างหากไม่กระสับกระสาย สิ่งที่ครูบาจารย์สอนนะรับฟังด้วยใจที่เปิดรับเนี่ยมันฝังเข้ามาสมัยใหม่คงบอกฝังเข้าไปจิตใต้สำนึกจริงคือเก็บไว้ในประวังขจิตสะสมเอาไว้ตดทนท น, ทนนะบางทียากเกินไปที่ต้องสอนยากๆหน่อยเพราะว่าไม่มีใครเขาสอนกันส่วนที่ง่ายๆฟังซีดีนะมีให้ฟังมีหนังสือให้อ่านอ่านแต่เธอผู้มาใหม่ อ่านง่ายๆไม่มีบาลีสักคำนะไม่มีสัพ์ไม่มีอะไรเขียนมาให้อ่านง่ายๆหนังสือแด่เธอผู้มาใหม่ที่หลวงพ่อเ ข, เขียนไว้นะีก็คือสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานครบสี่ด้วยครบสี่เลยกายเวทนาจิตธรรมครบทั้งหมดเลยในหนังสือไม่กี่หน้านะั่นนะโดยที่ไม่มีภาษาแขกเลยงันถ้าการตัวนี้เข้าใจการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าตรงนี้เข้าใจนะ ยากแสนยากยังไงต่อไปก็เข้าใจทั้งหมดะอะคุณมนว่าไปหลายมนแล้วจนกลมไปแล้วไม่มนแล้วหลวงพอ่อคาบมนั่งฟังหลวงพ่อด้วยความกระวนกระวายคือมีความรู้สึกว่าอยากส่งกันบ้านให้มันเสร็จเร็วๆจะได้ตั้งใจฟังก็อมองเห็นมันนะคะเห็นที่ไรก็ขำมันทุกทีแต่แบบมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นใหม่อีก ก็รู้สึกแบบเสียดายจริงเลยถ้าส่งการบ้านแล้วจะตั้งใจฟังมากกว่านี้ให้รู้ไปเสียดายโลภะมันเกิด <c oughs> แลไม่สบายใจก็โทสะมันเกิดให้รู้ของจริงไปนะ <c oughs> ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนได้ด้วยการดูของจริงการฟังนั้นเพื่อฟังเป็นแนวทางให้เอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองเอย่าว่าแต่หลวงพ่อประโมทสอนเลยพระพุทธเจ้าก็สอนแค่ทางปฏิบัติท่านบอกทางให้เท่านี้น ส่วนธรรมะนั้นเราต้องไปเดินทางแล้วเราก็ไปเห็นเอาเองคนที่สอนธรรมะเราได้คือกายกับใจนี่รูปกับนามนี้ถึงจะสอนธรรมะเราได้คนอื่นสอนเราไม่ได้จริงถึงมาฟังไว้ก็ได้แต่ความจำความจำไม่ใช่ความจริงคุณวุฒมีฟุ้งซ่านเล็กๆก็มีโมหะนิดนึงแล้วก็เป็นอยากดีมันแล้วก็เลยไปกดก ด, ปกดมันไว้ ดีละที่รู้ทัน อ, อาะพยาลิงช่วงนี้ชู้เห็นโทรสามมันแทรกอยู่เยอะเจ้าขา<อ>วดีแต่เดิมไม่ ม, มีเนาะแต่เดิมเป็นคนดีทั้งวัน ม, มีแต่ความสุขทั้งวันไม่มีกิเลสก็เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำไปแบบแบบ แต่าทาให้คนอื่นเนาะเจ้าค่ะจริงๆมันเป็นการความอยากของเราที่อยากให้คนชมอยากให้คนอื่นรั ก, กเนี่นหนแหละเราฉลาดลนะเพราะเราไม่ไปกดเอาไว้เห็นไหมเราก็เริ่มเห็นความจริงแต่เดิมเราไปกดไว้เราไม่เห็นตัวจริงของเราตอนนี้พอเราไม่ไปเก็บกดไว้ไม่จําเป็นต้องดีไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นเขาเราไม่แกล้งเก็บกดเราก็เห็นตัวจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วแอบสนองอัตตาทั้งสิ้น ทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะยเพื่อสนองอัตตากระทั่งจะใส่เสื้อใส่ผ้านะยังต้องสนองอัตตาเลยบางคนจะต้องแต่งขาวสมมุติยะเว้นแม่ฉี่นะแม่ฉี่ต้องแต่งจะมาวัดจะต้องมีชุดอย่างนี้นเพื่อให้ดูดีแต่บางที่เขาชอบนะเขาต้องแต่งตามเพราะเป็นอนุลมไปแต่หลวงพ่อไม่ได้สนใจอะไรหรอกเราแต่งชุดขาวแล้วเกิดความภูมิใจว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยอย่างนี้ต้องรู้ทัน ไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้นะอยากแต่งก็ได้ไม่ว่าหรอกมีคนมาเคยชวนบอกว่าให้ชวนกันแต่งขาวสินะให้ชวนแต่งขาวทั้งหมดเลยคนที่มาวัดแล้วนะบอกว่าพุทธการก็ไม่ได้ปรากฏว่าทำอย่างนั้นสมัยพุทธการก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเขามีชุดอะไรเขาก็ไปอย่างนั้นแหละใครแต่ละคนอยู่สิบางคนมีผ้าผมอยู่ผืนเดียวใช้ทั้งัวทั้งเมียต้องปรัดกันมาแล้วก็คงไม่ใช่ผ้าขาวหรอกนะคงผ้าหมอ หรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปใช่ไหนังวิสาขาไปไปทุ่รามาก็ยังแต่งตัวสวยงามประวันได้ไม่ใช่ต้องแต่งขาวขาวเอาเข้าจริงนะมันคืออะไรรู้ไมมันน่าจะเป็นพวกนีิครนด้วยซ้าไปพวกเสวะตํมพรพวกนุ่งขาวนีดของเราเวลารับศาสนาพุทธเข้ามาเราไม่ได้รับพุทธผิวๆเข้ามาเรารับอะไรเรารับสมณะฉีพรำสมณะนี่แหละคือพุทธของเราเรียกว่าสมณนะ ชีเนี่ยนะคือนิครนชีมีสองพวกชีเปลรยกับชีผักขาวชีมีสองพวกชีเปอยกับชีผักขาวชีเปรย์อันะ่นี้คนดั้งเดิมเลยชีผักขาวก็ใส่ข า, ขาวขึ้นมาเพราะว่าแก้ผ้าแล้วเอยแพร่ไปต่างประเทศยากแล้วผู้หญิงห้ามบวชเพราะว่าต้องไม่นุ่งผ้า่าเราคงยุ่งนะแล้วก็พราม นะสมณะชีพรามเนี่ยเราพูดจนติดปากนะแต่เราก็นึกว่าสมณะกับชีเนี่ยสมณะคือพระชีคือเยียชีพรามก็พวกพรามจริงไม่ใช่ปนลนกันมาแล้วกระทั่งการเชื่อกฎแห่งกรรมของเรานะก็ไม่ใช่เชื่ออย่างพุทธด้วยเชื่อแบบชดใช้กรรมชดใช้กรรมเนี่ยเรื่องของชีของนิครนอย่างทรมานกาย ทรมานกายไปเรื่อยๆทําอะไรลําบากไปเรื่อยๆถือว่าชดใช้กรรมใช้กรรมเก่าทฤษฎีกรรมเก่าไม่ใช่พุทธ น, นี่มันปนเข้ามาจนเราแยกไม่ออกนะปนมั่วซั่วไปหมดเลยนั่นหลายคนภาวนาก็สับสนเรียนก็สับสนดํารงชีวิตก็สับสนมันไม่ใช่พุทธแท้ๆหรือพรามนี้ไม่เคยแพ้พุทธนะแต่ตอนนี้พุทธแพ้พรามอีกแล้วเห็นไหมนับถือเทวดา พุทธนะเคยชนะเทวดาอยู่รอบนึ่งนะคือเราสามารถพุทธเจ้าท่านสามารถพาคนซึ่งนับถือเทวดาให้มานับถือธรรมะได้เปลี่ยนจากเทพเป็นธรรมะเปลี่ยนจากทคลมลิขิตมาเป็นกฎแห่งกรรมนี่ท่านทําได้เปลี่ยนจานก ก, รรนะาจการงอมือ ง, งอเท้าวิ่งบอนอ้อนบอลนะมาเป็นการศึกษาพัฒนาตัวเองเรียกว่าไตรสิกขาช่วยตัวเองนะเข้ามาเรียนรู้ของจริง เนี่ยปัญญาของพุทธนะขึ้นไปสุดขีดแต่ว่าส่งไว้ไม่อยู่มันยากคนก็พร้อมจะงอมืองอเท้าทิ้งธรรมะไป ห, หาเทพทิ้งกฎแห่งกรรมไปอ้อนวอนเทวดาทิ้งใรศิกขาที่จะเรียนรู้ตัวเองนะก็ไปเชื่ออะไรงมงายแทนศา ส, สนาพุทธแท้ๆเกือบไม่มีแล้วนะที่มีอยู่ก็ปนปนจนแยกไม่ออก นันต้องเรียนต้องศึกษานะพวกเราเนี่ยหลวงพ่อมองด้วยความหวังนะพวกเราได้เรียนธรรมะเรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติหลวงพ่อแทรกปริยัติแทกปฏิบัติได้ตลอดนะแทกให้ไว้วันนึงต้องส่งเอาไว้ให้ได้อะถ้าหิวข้าวแล้วลืมไปมันมืดมืดนิดมนินมน